เราเขาบอกว่าโดยที่สุดนะเคยได้ข่าวไหมเทวดาจะตายนี่เป็นยังไงเงื่อนี่ออกเลยนะเงื่อนี่ท่วมเลยนะเงื่อนี่ออกท่วมเลยแล้วก็ผ้าก็เศร้ามองผิวพรรณก็เศร้ามองเดือดร้อนนะเทวดานี่ก็เดือดร้อนอย่างที่บอกว่าสุพรมเทพบุตรเนี่ยใจเนี่ยผวาตลอดเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะถูกปลดเนี่ยนะโอ้เงื่อท่วมจริงๆเลยนะคือคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยหมายก็ว่าจะถูกปลดโดยไม่แบบอะไรนะแบบแม่ ไม่สง่งไปอยู่ชายแดนที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะเนี่ยงือท่วมเลยนะไมไ่มีความสุขไม่ได้ยิ้มแย้มแจม่มซ้หัวเราะหน้าเริองอะไรหรอกอนะก็แกล้งยิ้มจืดๆแต่อย่างนั้นแหละแต่จริงใจนะี่แหมแป้วหมดเรียกว่าไร้สภาพหมดคุณภาพเลยเนี่ยนะมีแต่ความท้อแท้แล้วก็ผิดหวังแล้วก็สิ้นหวังแม้แต่เทวดาที่จุติทั้งหลายเนี่ยนะก่อนที่เทวดาจะจุติโดยมากเทวดาที่บุญน้อยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันพบต่อๆไปขอต่อให้เราไปเกิดเป็นเทวดาอีก ถ้าเราสมมติเท่าไหร่แมพูดทำภาพให้มันเร็วขึ้นเนี่ยนะแวบเดียวไหมถ้าจะจุติจากเทวดาแล้วจะทำยังไงคิดมากไปมั้งพ่มาว่าไม่มากหรอกเนี่ยนะ ทีเราคิดดูนะสมมติว่าเวลาเดินทางไปไกลๆเนี่ยนะเรายังคิดเลยวางแผนคืนที่หนึ่งเราจะไปพักตรงนั้นแต่ใครที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยคืนที่หนึ่งจะไปพักที่นั้นคืนที่สองไปพักที่โน้นคืนที่สามไปพักที่นั่นแล้วก็สิบพูดเป็นสิบคืนยี่ิบคืนกว่ากันไปเสร็จแล้วอาหารมื้อที่หนึ่งทานตรงนี้มื้อที่สองตรงนั้นมื้อที่สามตรงนี้เนี่ยเวลาเช้าทํานี้เวลาสายทํานั่นเวลาบ่ายมักําหนดตีมาเป็นตารางไว้หมดเลย อันนี้ในสายแบบใช้ชีวิตแค่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะไม่ได้ว่าสำคัญยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่แล้วปฏิสนธิที่เรียกว่าทั้งภพทั้งชาติตลอดชาติตลอดสังสารวัตรระบบการวางแผนกำหนดทิศทางเราเป็นอย่างไรมีวิจารณญาณเหล่านั้นแค่ไหนอันนี้เป็น ปัญญาปัญญาเนี่ยรู้ทั้งอดีตปัญญานั้นรู้ทั้งอนาคตปัญญารู้ทั้งอดีตและอนาคตแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่สับสนว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลซึ่งต่างจากอวิชชาอาวิชชาเป็นยังไงอวิชชาไม่รู้อดีตอวิชชาไม่รู้ในอนาคตอวิชชาไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตอวิชชาแยกไม่ได้ว่าอะไรเป็นอดีตสเภตปัจจุบันผลอะไรเป็นปัจจุบันในเหตุและ อนาคตผลอวิชาจำแนกแยกแยะไม่ได้เลยวันใครที่บอกว่าอย่าไปต้องคิดอะไรมากพวกนี้ก็สอนให้เจริญอวิชาเพราะปกติก็ไม่ฉลาดอยู่แล้วเนี่ยนะปกติก็ไม่รู้อยู่แล้วแล้วให้มาหยุดอยู่กับอวิชาก็แปลว่าเจริญอวิชาอาวิชาไม่ใช่สมรถะแล วปัสนาพันธให้หยุดอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีปัญญาที่จะรู้จักอดีตรู้จักอนาคตรู้จักปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเชื่อมโยงแม้แต่ปัจจุบันก็ปัจจุบันผลแล้วก็ปัจจุบันเหตุถ้าปัจจุบันผลมาอย่างไงปัจจุบันเหตุเป็นเหตุให้มีอะไรต่อไปแล้วยังไม่นนตไฉให้เลือกเฟ้นเห็นวันนี้ทุก ตีลานะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะนี้สมุทยัยอะไรเป็นอายุหณนะนิธานะปริโพธะและสังโยคะและ้วตรงกันข้ามเพิกถอนวัตตะทั้งมวลเหล่านี้เป็นอ น, นันิสาระอสังคตอมมะอมตะและปณีตาเนี่ยนะแล้วอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นล่ะอะไรเป็นนิยานิกะเนี่ยนะอะไรเป็นทัศนะอะไรเป็นอธิปไตยะ เนี่ยนะอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้พ้นจากทุกเหล่านั้นทั้งปวงงนั้นถ้าไม่มีความรู้เนี่ยคือโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าความไม่รู้อีกแล้วแค่เรียกว่าไอ้เครื่องกลางกั้นที่มันใหญ่ที่สุดเลยก็คือความไม่รู้ทําเอกคืออวิชชาเนี่ยนะมันเป็นเครื่องกลางกั้นที่ใหญ่มากเป็นตัวที่ทำลายประโยชน์ทำลายอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นศาสดาของเราไม่ใช่เพราะพระองค์ในฐานะผู้มีอวิชชาแต่ในฐานะผู้กาจัด อวิชชาได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะแล้วรอบรู้เอามาบอกกล่าวแต่งตั้งเปิดเผยแนะนําเราทั้งหลายซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะพระองค์บอกเราทุกขั้นตอนไม่มีาศาสดาองค์ใดหรอกที่จะบอกความคิดของพระองค์เองทุกขั้นตอนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบอกแม้กระทั่งว่าปฏิสนธิจิตของพระองค์เนี่ยปฏิสนธิด้วยจิตประเภทไหนพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้จริงๆ ตรวจสอบได้เลยว่าท่านปฏิสนธิด้วยจิตดวงใดแล้วปฏิสนธิจิตดวงนั้นมีคุณภาพแค่ไหนความสามารถแค่ไหนเลิกในการปฏิสนธิเป็นอย่างไรแล้วใช้ชีวิตอย่างไรระหว่างการใช้ชีวิตคิดอะไรคิดอะไรแล้วท่านทําไมท่านจึงออกบวชออกบวชแล้วรู้อะไรตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรท่านคิดอย่างไรจึงได้ ตรัสรู้แล้วท่านทําเหตุอะไรมาในอดีตจึงได้มาตรัสรู้เมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านคิดอะไรท่านอุทานอะไรท่านพูดว่าอะไรแล้วท่านสอนอะไรคําสอนนั้นมันดีอย่างไรเนี่ยนะท่านบอกเราหมดเลยเบอกหมดเลยเนี่ยนะแนะนำแต่งตั้งเปิดเผยโดยที่สุดแม้แต่ก่อนตายยังบอกอีกนะว่าคิดอะไรบ้างก่อนตายคิดว่าอย่างไรคิดอย่างนั้นแล้วดีอย่างไรแล้วคิดแบบนั้นแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างบอกเราหมดเลยจริงๆ หรือบางคนบอกแม่ชอบแบบอะไรปกปิดบ้างจะดีใช่ไหมบางคนก็ชอบแบบอะไรนะที่เรยียกว่าใช้คาว่างุบงิบไม่โปร่งใสเนี่ยนะซึ่งอาจจะเป็นอัธยาสัยส่วนตัวก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความกระใช้คาว่าแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายจำแนกทำให้ตืรนเนี่ยนะแล้วก็เพื่อให้ความไม่หลงเพื่อให้ถึงความไม่หลงไม่เบลอไม่เ ล, ỡ, เลอะไม่เลือนเนี่ยนะ อันนั้นเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาของเราซึ่งาศาสดาของเราเป็นเช่นนั้นคําสอนก็เป็นเช่นนั้นมันเราก็พ้องพยายามมาจําเนกแยกแยะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำอย่างไรที่จะเจริญงอกงามพั้นก่อนจะสิ้นชีวิตชาตินี้เนี่ยนะจะได้อริยทรัพย์อะไรจากพระพุทธเจ้าว้างนั่งนับทรัพย์ตัวเองบ้างหรืออย่างวันวนหนึ่งนะตกมาตอนเย็นเนี่ยนะนั่งทรพัพย์นับนั่งทรัพย์ตัวเองบ้างไหมเออวันนี้นะได้อริยทรัพย์อะไรมาบ้างนะเพราะพันต้องพยายามจดบันทึกบุญเหมือนกันนะ ไอ้คนที่จดบันทึกเรื่องไม่เป็นเรื่องเรายังขยันบันทึกกันเลยใช่วันนี้ทำบุญมาเท่าไหร่เนี่ยนะตื่นเช้ามาสวดมนต์ระหว่างเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็เอามาวัดชั่วโมงดูว่าตลอดทั้งวันเนี่ยได้บุญกี่ชั่วโมงเนี่ยนะแต่บางคนเ็าบอกว่าแหมมันน้อยก็เลยไม่กล้าจดเชื่อไหมนคนที่ยากจนจริงๆิงถ้าจนมากๆเลยไม่กล้าจดบันทีรายรับรายจ่ายมันปกปิดตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะ ปกปิดตัวเองยิ่งจนมากเท่าไรยิ่งปกปิดเท่านั้นเนี่ยนะไม่มีโอกาสทบทวนเลยคนที่กุศลจิตไม่ค่อยเกิดก็เหมือนกันคนที่กุศลจิตเกิดน้อยก็เหมือนกันไม่พยายามตรวจสอบว่าตอนไหนเป็นกุศลและเป็นอกุศลกุศลตัวไหนควรเพิ่มพูนกุศลตัวไหนไม่เข้าประเด็นเพราะกุศลบางอย่างเวลามันให้ผลแล้วใกล้ต่อปาณาติบา กุศลบางอย่างเวลาให้ผลนะใกล้ต่ออธินนาทานเป็นต้นกุศลเหล่าใดที่ใกล้ต่ออกุศลกรรมบดกุศลเหล่านั้นต้องตัดออกไปนะเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ต้องมาฝึกมาคอยคัดคอยจําแนกคอยแยกค่อยแย่ให้ดีๆเลยนะถ้าจําแนกคัดสรรแยกแยะไม่ดีไม่พอเนี่ยนะเข้ามากอา็อย่างที่กล่าวว่ายังไงก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าปัญญานี่แหละเป็นที่ เป็นเครื่องนําทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะเป็นมิตรแท้ที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเพันอ่าคนที่มีปัญญาจะไม่เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายะพบทาอย่างไรจึงจะมีปัญญาอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เรามีภาษาสดาที่มีปัญญาขนาดนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องหนักใจอะไรที่เหลือว่าทําอย่างไรจึงจะคิดตามท่านค่อยๆคิดตามท่านพยายามที่จะเข้าใจอย่างที่ท่านบอกเราเนี่ยนะ เราก็จะเจริญอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะซึ่งเราก็ควรสมควรที่จะมีโอกาสทบทวนเนี่ยนะถ้าสมมุติถ้าเราจะอำลาโลกนี้ไปภายในวันนี้ปีนี้ น, นะอีกหลายๆปีข้างหน้าต่อไปนี้เนี่ยนะเราจะมีสเสบียงคืออะไรไปบ้างเนี่ยสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะก็เรียกว่าเช็คกระเป๋าเดินทางหน่อยแล้วกันเนี่ยนะเช็คตัวให้ดีๆเช็คกระเป๋าเดินทางให้ดีแล้วก็เช็คที่พักข้างหน้าให้ ดีๆสํารวจตรวจสอบเขาตรวจทุกอย่างนะอย่างคนที่เดินทางมากๆเนี่ยเขาตรวจทุกอย่างเลยนะตรวจเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเนะี่ยเขาเป็นผู้เสวยด้วยตัวของตัวเองฉันใดผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในวัดตะชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งสํารวจตรวจสอบให้ดีก็บอกอุย้ยฉันไม่ไปหรอกฉันไม่ไม่มาฉันจะนิพพานแล้ไม่เอาแล้ว นิพพานอะไรเนี่ยนะขนาดว่าไปให้สบายยังไปไม่ได้เลยจกะกล่าวไปยหยถึงเรียกว่าสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาสมบัติของนิพพานเนี่ยมันสูงสุดคนที่ออกจากวัตฏะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดเป็นคนที่มีบุญมากที่สุดบุคคลเหล่านี้เลือกสบายๆอยู่ในวัตฏะอย่างพระนนนะถ้าสมมติถ้าพระนนไม่ปรินิพพานพระนนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติ ไม่ใช่เป็นคนที่แม้หมดทางไปเทียงตีกทางตันแล้ววัตตามันบีบจนหมดสภาพแต่ถ้าบีดอย่างนั้นอ่ะมันโน่นไปเป็นพวกตัวเลือดตัวน้อนตัวอะไรเล็กๆไปโน่นอ่ะถ้าถูกวัตตามันบีบแต่คนที่ปรินิพานนั้นอ่ะเป็นคนที่มีบุญสั่งสมบุญมามากจริงๆมีบุญถึงขนาดว่าถ้าจะเลือกอยู่ในวัตตาก็เลือกอย่าง สบายๆแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะท่านดูหมิ่นวัตตะไปเรียบร้อยแล้วเพราะวัตตะเป็นไปกับชาติชาราและมรณะเมื่อวัตตะเป็นไปกับชาติชาราและมรณะเนี่ยนะท่านรังเกียจชาติชาราและมรณะซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของโสกปริเทวะทุกโทมณะและอุปายาทันจะออกจากสังสารวัฏเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ออกจากสังสารวัฏแล้วดีอย่างไรมัน ผู้ที่ออกจากสังสารวัตได้สําเร็จนั้นจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ภูณสุขเต็มเปี่ยมด้วยอริยสัพย์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานก็ได้แต่พระองะอค์มมมมมงไม่ได้เข้าปฐมฌานเพื่อเสวยวิบากคือเกิดเป็นพรหมปริสัตชาพรหมมปโรหิตาหรือมหาพรหมมาพระองค์ไม่ได้เข้าปทุติยะฌานเพื่อจะให้เกิดเป็นพรหมปริตตาภาอัปมานาภาและอัปัสราไม่ได้เข้าตัติยะฌานเพื่อปริตตสุภาอัปมานาสุภาและอัป และเวหัพลาหรือสุภกินหาเวหัพลาเป็นต้นไม่ได้เข้าอากาสารนัญจายตนะเพื่อเกิดในอากาสารนัญจายตนะภพไม่ได้เข้าวิญญาอากินเพื่อไปเกิดในอรูปประพบเลยแต่พระองค์เข้าปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานเข้ารูปฌานและอรูปฌานเพื่อ ิธรรมสุขวิหารธรรมเพื่อความสุขวานเนี่ยพระองค์ได้เสวยได้ใช้สอยสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์ไม่มีฉันทราคาในรูปประชานและอรูปประชานทั้งหลายเหล่านี้เลยซึ่งถือว่าเป็นธรรมที่สงบละเอียดและประนีเพราะพระองค์มีอนิจจานุปัสนาที่เห็นความจริงว่าสาังชานทั้งหลายเหล่านี้เป็นสังคตะธรรม เป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปวิปริแปรปรวนไปเป็นธรรมนาตัวเหล่านี้เป็นธรรมที่นับเนื่องด้วยวัตตะเนี่ยนะเป็นนับเนื่องด้วยวัตะเมื่อนับเนื่องด้วยวัตะก็เป็นเหยื่อของขันธมารกิเลสมารเป็นต้นก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยมารอยู่ใน เบ็ดของมารนั้นก็เลยปฏิบัติเพื่อความเบื่อนหน่ายและคลายกำนัลนั้นพระองค์เจริญฌานเหล่านี้ไม่ได้ทําแบบคนที่มีความติดข้องอะไรเยื่อใยมีความอาวุ์ติดข้องในสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ใช่เนี่ยนะพระพุทองค์เนี่ยเข้าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเข้าปฐมฌานด้วยปฐมฌานกิริยาทุติยฌานกิริยาตติยฌานกิริยาจตุทัชฌานกิรยิรารย า, ารูปฌานกิริยาอรูปฌาน กิริยาแล้วก็เจริญวิปัสนาด้วยมหากิริยานะมหากิริยาญาณสัมปยุตมันระองค์จึงเข้าได้ทั้งโลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติอนนะเข้าคุณธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะสมาบัติตั้งยี่ี่แสนโกรธเนี่ยนะยี่สแสนโกรธมันก็เข้ามากสเสวยมีมุติสเสวยความสุขเหล่านั้นเสร็จแล้วหลังจากที่พระองค์ในเนื้อหาที่กล่าวถึงว่า S <S <an th al ian> เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยนะก็คือเข้าตั้งกับปฐมฌานไปจนถึงดับสัญญาและดับเวทนาแปลว่าดับจิตเจตสิกหมดก็เหลือแต่รูปเนี่ยนะสรจพระอนนลกถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วหรือท่านพระนุรุทธาก็กล่าวว่าท่านอนนุ์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จปรินิพานพระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทายตานิโรธตอนนี้พระองค์ยังไม่ปรินิพานหรอกพระองค์เข้า การดับสัญญาและดับเวทนาก็พระองค์เข้าอยู่ตามกําหนดที่พระองค์ตั้งเอาไว้แล้วก็ออกจากเนอะนะฮะออกจากสัญญาเวตาณีตาเนโรก็คือออกด้วยอรหัตผลสมาบัตินั่นเองแล้วออกจากนั้นก็เข้าเนวะสัญญาออกจากเนวะก็เข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะก็เข้าวิญญาณัญญาเยตนะออกจากวิญญาณัญญาเยตนะก็เข้าจตุทชานที่มีอยู่ทุกประเภทออกจากจตุทชานเข้า ตติยะฌานที่มีอยู่ทุกประเภทออกจากตาติยะฌานเข้าจตุทัชฌานทุกประเภทออกจากทุติยะฌานก็เข้าปฐมฌานทุกประเภทออกจากปฐมฌานขึ้นเข้าสู่ทุติยะฌานใหม่ออกจากทุติยะฌานทุกอย่างแล้วเข้าตาติยะฌานออกจากตาติยะฌานทุกอย่างเข้าจตุทัชฌานออกจากจตุทัชฌานก็ปรินิพัานนีคือหมายคำว่าออกจาก จะตัวเชานเสร็จแล้วก็เกิดปั จ, จเวกขณะยานพรอจัดปัจจเวกขณะยานมหาวิบากญาณสัมปยุทธดวงที่หนึ่งก็ดับโดยที่เรียกว่าไม่มีปฏิสนธิมาต่อมาเชื่อมอีกเลยนะไม่มีปฏิสนธิจิตดวงใดๆมาเกิดเชื่อมต่อก็เลยเรียกว่าดับขันธปรินิพานมันเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพานอย่างนี้แล้วพร้อมกับ ที่ประจุติจิตของพระองค์นี่เกิดขึ้นแผ่นดินใหญ่ก็ไหวขึ้นเกิดความขนพองสยองกล้าวหน้าสะเพรงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บะลือลั่นเนี่ยนะก็ว่าเสียงครวญกันคมเลยประนั้นะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วพร้อมกับปรินิพานเท้าสามบดีพรมได้กล่าวคาถานีิว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องทอดทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกนี้นะอย่างของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็ทอดทิ้งหมดอ่ะนะ ทิ้งอะไรบ้างทิ้งผมทิ้งเล็บทิ้งฟันทิ้งหนังซึ่งแปลงทิ้งอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะล้างก็ะขวดทิ้งไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะต้องทิ้งในที่สุดก็ต้องทิ้งทั้งหมด